จะมาคณะเดินทางมาจากเมืองไทยถึงวันนี้ก็ประมาณครึ่งเดือนได้นะแล้วนะแล้วก็จะมีกิจเดินทางต่อไปที่สเปนแล้วก็อิสราเอลอีกคนทั้งก็อีกครึ่งเดือนนะแล้วก็วันที่24มิถุน า, นายนก็จะกลับเมืองไทย ก็ไม่บ่อยนะที่ธรตมาจะได้มาเดินทางในยุโรปเจ้าพถึงการแสดงธรรมนะก็เพิ่งครั้งที่เป็นครั้งแรกที่รับนิมนต์นมาแสดงธรรมในยุโรปเคยมายุโรป ก, ก่อนน น, นั่นก็หลายครั้งแต่ว่ามาครเป็นคารวาดบ้างหรือว่ามาด้วยเหตุอื่นบ้างเช่นเคยไปอยู่วัดอมรวดีจำบันใส่ประมาณเจ็ดเดือนประมาณปีสามสี่ แต่ก็มาไม่ถึงสวิตเซนนะไปไปไกลสุดก็ฝรั่งเศสนะ <c oughs> ก็เรียกว่ายุโรปนะ <c oughs> ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีความเจริญมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจนะแต่ถ้ามองจากสายตาของคนที่เพิ่งเดินทางมาเมืองไทยเนี่ย มาจากเมืองไทยเนี่ย <Okay. S 1> ก็จะรู้สึกว่าที่นี่หาดีขึเยอ ะ, อะในว่าในแง่ในในแง่ที่ว่าการสัญจรนะก็ไม่มีรถติดนะผู้คนก็ไม่ไม่จอแจนะ แล้วก็ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันนะอย่างที่เราทราบนะเมืองไทยที่ผ่านมา ก, ก็มีเรื่องขัดแย้งกันมากแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังก็ยังเหมือนคลื่นใต้น้ำพูดถึงอากาศนะที่นี่ก็ดีกว่าเยอะนะทาไมนึกถึงหน้าหนาวนะนะ <c oughs> ชื่อการมาอยู่ที่นี่อันตามาย ด, ดูแล้วก็คิดว่าสดสบายนะกว่าที่เมืองไทย แล้วก็นั่นก็คือเหตุผลสำคัญนึ่งที่ทำให้พวกเรานะเลือกเที่ยวอยู่ที่นี่มากกว่าที่จะไปที่เมืองไทยนะแลมอยู่ที่นี่เนี่ยสมาคิดว่ า, เ, าเราก็มีความาสุขสบายพอสมควรคราว น, ะ น, นี้ในเมื่อสุขสบายกายแล้วเนี่ยนะก็ควรจะให้สุขใจด้วย เพราะว่าเราอส่า์จากบ้านเกิดเมืองนอนมาจากพ่อแม่จากคนรักคนใกล้ชิดมาเนี่ยมาถึงนี่แล้วเนี่ยนะได้มาแล้วก็ได้มีในสถานที่ที่มีความสะดวกสบายนะอย่างเพียงแค่ตรงนี้เนี่ยก็จะรู้สึกเลยนะโอ้มันธรรมชาติสวยแล้วก็ความสงบมาถึงทั้งทีแล้วก็รู้ว่าเลือกที่จะมา อ่าปักหลักที่นี่ทังทีนะก็ควรจะมีความสุขมากกว่าตอนที่เราอยู่เมืองไทยถ้ามาอยู่นี่แล้วเนี่ยสบายสบายกายแต่ว่ากับมีความทุกข์ใจมากกว่าตอนอยู่เมืองไทยหรือว่ามีความสุขน้อยกว่าตอนอยู่เมืองไทยนะก็ถือว่าเราใช้ประโยชน์นะจากโอกาสที่มีเนี่ย ได้น้อยคนส่วนน้อยเท่านั้นนที่จะมีโอกาสอย่างเราพวกเรานะที่มาใช้ชีวิตในประเทศสวิสหรือในยุโรปเมื่อได้โอกาสที่ดีแล้วเนี่ยก็ควรจะใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ก็คือว่าทําให้เราเองมีความสุขนะแล้วก็ครอบครัวคนกของเรามีความสุขด้วยไม่ใช่แค่สุขกายนะแต่ต้องสุบใจด้วยนะ มันถึงที่แล้วว่าเรานะไม่เสียโอกาสนะที่มาถึงนี่นะอันนี้มีคนจำนไม่น้อยเนี่ยที่มีความสุขกายแต่ว่าใจนี่ไม่ในสุขด้วยนะอันนี้ต้องถือว่าแย่กว่าคนที่ทุกข์กายนะแต่ว่ามีความสุขใจแนละ้วคนในเมืองไทยนะที่ มีความยากลาบากทางกายนะแต่ว่าก็มีความสุขใจเยอะนะในขณะที่ฝรั่งที่นี่เนี่ยเท่าที่สลับตับฟังดูพุทธมนตไม่น้อยนะที่มีความสุขกายนะแต่ว่าใจไม่สุขนะอันนี้เราดูได้จากตัวเลข ส, สถิติคนที่ฆ่าตัวตายหรือคนที่ติดยานะคนที่ป่วยทางจนะิตเนี่ยก็มีไม่น้อยเลย เพราะฉะเนี่ยเรื่องความสุขใจเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญสุขกายอย่างนี้ไม่พอนะต้องใจต้องพาะความสงบเย็นด้วยแต่คนนี้เนี่ยออย่างที่บอกไปแล้วว่าผู้คนจำนวะ น, นไม่น้อยเนี่ยเขาทุกวันนี้แม้ก็จะมีความสุขกา ย, ยแต่เขามีความทุกข์ใจ จะเรีว่านี่เป็นปัญหาของคนสมัยใหม่หรือว่าคนทั้งโลกเขาว่าได้ในยุคนี้นะก็คือว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆสะดวกสบายมากขึ้นนะแต่ว่าความทุกข์ไม่ได้ลดลงเลยและที่ความทุกข์ไม่ได้ลดลงเพราะว่าความทุกข์ทางใจมันเพิ่มขึ้น สมมติว่าความทุกข์ของความสูกงคนเรามีสักร้อยหนึ่งนะเอาความทุกข์เดียวเขาทุกข์คนเรามีสักร้อยหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนอาจจะทุกข์กายสักห้หรือทุกข์กายสักหแล้วก็ทุกข์ใจสักสีนะแต่พอมาถึงทุกนี้เนี่ยความทุกข์กายจะลดลงเหลือสาสนะแต่ว่าความทุกข์ใจนี่มันเพิ่มขึ้นจึเกาเป็น70นะ ทำไมถึงทุกข์ใจนะหลายคนบอกว่าทุกข์ใจเพราะว่าครอบครัวไม่ราบรื่นมีคนต่อว่ามีคนดินทาหรือว่าลูกนะไม่เป็นอย่างที่อย่างที่ปรารถนา หลายคนในเวลาพูดถึงทุกข์ใจเนี่ยก็จะก็จะมองไปที่คนอื่นนะไปโทษว่าคนเงินคนนี้ทําให้ฉันทุกข์ใจแต่จริงแล้วเนี่ยคนเราทุกข์กเพราะความคิดของตัวเองนะไม่ใช่ทุกข์เพราะคนอื่นนะเมื่อพูดถึงทุกข์ใจแล้วเนี่ยนะมันล้วนล้แต่ทุกข์เพราะความคิดหรือเพราะวางใจไม่ถูก คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีทรัพสมัครมากมายแต่เขากยังมีความทุกข์นะเพราะอะไรนะก็เพราะเขาไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่เขามีเขามองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองยังไม่มีนะคนร้อนนี่ถ้าจดจ่อแต่สิ่งที่ตัวเองยังไม่มีนะมีเท่าไหร่ก็ทุกข์นะเพราะว่าไม่ว่าเรามีเท่าไหร่นะไอสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยก็ยังมีมากมาย นะแลวเนี่ยคือเหตุผลที่ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยทุกขนะ์ทุกข์เพราะมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มนะีมีบ้านสองหลังแล้วก็ยังทุกข์เพราะอยากจะมีบ้านสามหลังนะ <c oughs> ถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีเนี่ยถือว่าร่ำรวยผู้เจ้าตรัสว่านะความสัมความสัมโดดเป็นความรวยอย่างยิ่งนะต้องระวังใจเราให้ดีนะเพราะว่าใจเราเนี่มันจะเผลอไปมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมีแต่เรายังไม่มีใช่ไหมไปห้างสรระสินค้าเนี่ยนะโอ้ มีสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมนะมีเสื้อผ้ามาีเครื่องทองนะเช่นีนจินดามาเห็นแล้วเนี่ยทำไมถึงทุกข์เพราะอยากได้นะทั้งที่บางทีตัวเองก็มีอยู่ อ, อยู่เยอะแล้วนะ <c oughs> บางคนทุกข์เพราะลูกนะคิดว่าตัวเองทุกข์เพราะลูกทั้งที่ลูกก็ดีทุกลูกก็น่ารักนะแต่ลูก ไม่มีบางอย่างที่ลูกคนหนึ่งมีลูกคนนั้นเขาเขาพูดเพราะลูกคนนั้นเขาอ้วนเขาสุขภาพดีแข็งแรงใช่ไหมหรือลูกคนนั้นนะเข า, เ, าเรียนเก่งเนี่ยหลายคนเนี่ยมองเห็นแต่สิ่งที่ลูกตัวเองยังไม่มีแทนที่จะมองว่าเออลูกเรามีดีอะไรบ้าง ถ้าเราเห็นว่าลูกเรามีดีเนี่ยเราก็จะมีความภูมิใจพอใจนะมีความสุขแต่ทุกวันนี้หลายคนเนี่ยนะไม่ ม, มีมีความทุกข์พ่อลูกมีความทุกข์เกี่ยวกับลูกเพราะมองเห็นแต่สิ่งที่ลูกยังไม่มีหรือบางคนก็ทุกข์เพราะสามีนะเพราะเห็นว่าเนี่ยสามียังไม่มีแบบโ น, โน้นไม่มีอย่างนี้นะถ้าเราเห็นสิ่งที่สามีไม่มีนะเราจะทุกข์แต่ถ้าเราลองมองเออสามีเขามีอะไรดีบ้าง เราก็จะมีความสุขนะทุวันนี้ก็สุขจินตนาการเป็นไปอกเกาหลีในผู้ปฏิบัติธรรมก็เป็นแม้แต่เป็นอย่างนี้นะอาตมาเคยไปแสดงธรรมเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยพูดจบอาตมาบอกว่าเนี่ยอาตมาเอาหนังสือมาแต่ว่าไม่พอแจกนะเพราะฉะนั้นบางคนก็จะได้แต่บางคนก็ไม่ได้ แล้วต่อมาก็หยิบหนังสือมาปึกหนึ่งวางไว้บนโต๊ะเป็นหนังสือขนาดเท่านี้นะ เ, เ, เ, เล็กกันเล็กกันนิดหน่อยหลายคนก็รีบมาเอาเลยนะได้ไปก็ดีใจโอ้ดีใจพอหมดปรึพอหมดปึ้ง น, นึงไปต่อมาก็เอาปรึ้งปึงใหม่มา เล่มขนาดเท่านี้ใช่ไหมเปล่มฮะเล่มใหญ่กว่าเป็นเล่มคุ้มง่ายคือเล่มท่าปกเกบุ๊กอะนะคนที่มาทีหลังก็ดีใจที่ได้แต่คนที่ได้ก่อนเนี่ยเสียใจเสียใจทีแรกดีใจนะใแต่ตอนนี้เสียใจแล้วมีบางคนมามาขอเปลี่ยนได้ไหม เขาเปลี่ยนเอาเล่มใหญ่เล่นมอสองเล่นเลยไม่ได้เพราะมีน้อยไงคือสมัคงงไอ้รู้แต่งว่าเล่มรู้ว่าแต่งเอะว่าเล่มใหญ่ดีเล่นเล็กใช่ไหมพ่อยังไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมแต่เนี่มั่งสองทาไมเขาทุกข์ในเมื่อเขาได้เล่มนี้แต่คนอื่นไม่ยังไม่มีใช่ไหมคนอื่นไม่มีแต่เขาได้เขาในดีใจใช่ไหมแต่เขาทุกข์เพราะเห็นว่าคนอื่นได้เล่มใหญ่แต่เขายังไม่มี นี่เราแบบทุกเพราะจรจจอแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีใช่ไหมเนี่ยคือมองมองให้ดีนะถ้ามองเป็นเนี่ยจะดีจใจเออฉันดีเล่มนี้แต่คุณไม่มีแต่เขามองไม่เป็นเขาก็คิดว่าเขาได้เล่นมาก่อนเขาได้เล่นมาก่อนฉันฉันไม่ได้เล่นใหญ่เขาคิดว่าฉันไม่ได้เล่มใหญ่เขาไม่ได้คิดว่าฉันได้เล่มเล็กเขาคิดว่าฉันยังไม่ได้เล่มใหญ่ใช่ไหมเขาเลยทุก แล้วความทุกข์ทำให้เขาต้องมาขอเปลี่ยนเพื่อเอาเล่มใหญ่ใช่มครับนี่คือความหมายที่จะมาว่าคนเราเนี่ยทุกวั น, นทุกวันนี้ทุกเพราะไปตรวจจอดแต่สิ่งที่ตัวเองยังไม่มีใช่มทั้งที่สิ่งที่คุณเองมีเนี่ยมีเยอะแล้วมีเพียงหลายคนนะอันนี้ไม่รู้เมืองไทยนะในอเมริกาในยุโรปเนี่ยเขาเคยไปสอบถามความเห็นของคนเหล่านี้ซึ่งเขาเขาจะเลือก สอบถามคนที่หน้าตาดีแล้วถามว่าคุณพอใจในในรูปร่างหน้าตาของตัวเองไหม 90% บอกไม่พอใจพราะเห็นว่าบางคนบอกว่าออ่ผกผิวดําไปบ้างหรือว่าะตาเล็กไปบ้า ง, าางเอา้าบ้างใชคือ <c oughs> คนสัมภาษณ์เนี่ยก็แปลกใจเพราะว่าหน้าตาดีทั้งนั้นเลยแต่ไม่มีความพอใจเพราะอะไรเพราะเขาเห็น เห็นแต่สิ่งที่ตัวเองอยังไม่มีใช่ไหมไอ้สิ่งที่ดีดเนี่ยสุนทรีย์ เ, เขาจะมีดีอยู่เก้าสิบเก้าอย่างแต่เขาไม่ไม่มีดีอยู่หนึ่งอย่างเนี่ยใช่่หมเช่ชนนะตาเล็กไปผมไม่ไมเออแล้วเขาเห็นคนอื่นเขามีเนี่ยแต่ตัวไม่มีเขาก็ทุกข์เลยใช่ไหมนี่แต่เาคิดว่าเพียงแค่เราวางใจให้เป็นเนี่ยนะแทนที่จะมองสิ่งที่ตัวไม่มี อยายามมองว่าเรามีดีอะไรบ้างจะมีความสุขได้ง่ายมีผู้หญิงไต้หวันคนหนึ่งอายุสามสิบนะแกเกิดมาเนี่ยแกพิการทางสมองนะพูดไม่ได้แล้วก็เดินไม่ได้แต่แม่ก็เลี้ยงนะ แต่อมองก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าแม่รู้ว่าลูกเนี่ยพิการทางสมองตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยแม่จะเลือกให้เธอคลอดออกมาหรือเปล่าสมัยนี้มีหลายคนเนี่ยที่ตัดสินใจที่จะไม่ให้ลูกเกิดมาเพราะว่าเห็นลูกพิการทางสมองใช่ไหมเด็กนี่รู้แล้วเนี่ยแต่เธอก็ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้คลอดออกมาปรากฏว่าเธอเนี่ยเรียนไม่แพ้ใครแล้วก็สามารถจ่เรียนจบปริญญาเอก มาทรายที่มีชื่อในอเมริกา UCLA มาทรายแคลิฟอร์เนียแห่งลอสแองเจลิสนะปริญญาเอกนะนอานะตมายี่ีป็ญยาจบปริญญาออกแบบแกเลยนถึงเมือบวดเป็นฟางไงเนี่ยขนะดอาตมาเนี่ยอายุครบสาสองนะแพ่จบปริญญาออกเมืองไทยก็ไม่เรียจะจบรวดนะจบแพทปริญญาตรีเธอ กลายเป็นแบบอย่างของเด็กนะไต้หวันได้รับเชิญให้ไปพูดตามที่ต่างๆมีคราหนึ่งเธอบรรยายเธอบรรยายด้วยการเขียนในกระดาษ ใ, ในกระดานนะบรรยายเสร็ก็มีนักเรียนคนหนึงถามจากมือถามว่าคุณมองตัวเองอย่างไรนะคุณเกิดมาพิการเนี่ยนะคุณเคยน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองมากไหม คนใประชุมก็งเงียบกริบเลยนะเพราะว่าพอดีก็ไม่เนียงถามคํถาถามตรงๆแบบเนี้คนพิดการแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกเสียไม่รู้สึกถุนถุนเฉียวอะไรเธอก็หันกลับไปเขียนกระดานเคยว่าฉันมองตัวเองฉันอย่างไรนะข้อหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักนะข้อสองนะฉัน <c oughs> มีขาที่สวยงามข้อสามพ่อแม่รักฉัน ข้อสพระเจ้าก็รักฉันเธอเป็นคริสตนะข้อห้าเนี่ยฉันมีแมวที่น่ารักแล้วก็หกฉันเขียนหนังสือได้และ ว, วาดรูปได้แต่ที่คนประทับใจข้อสุดท้ายเธอเขียนว่าฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองสิ่งที่ไม่มีโอ้คนตบมือกันใหญ่เลยคือถ้ า, ถาเธอถ้าเธอเหมือนคนอื่นนะเธอก็จะมองโอ้ฉันฉัน เฉันพิการฉันเดินไม่ได้ฉันวิ่งไม่ได้ฉันพูดไม่ได้ใช่ไหมเธอจะมองเห็นแต่ว่าเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้แต่เธอไม่มองมแบนั้นถ้าเธอมองมแบบนั้วเธ อ, อก็ทุกข์อาจจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้แต่เธอมอว่าฉันมีอะไรดีบ้าง ค, ค, คิดอะไรตั้งเยอะแยะเขียนหนังสือได้อย่างที่เธอเล่าเนี่ยฉันมีแมวฉันมีพ่อแม่เนี่ย งั้นเธอ ก, ก็มีความสุขนะแล้วก็สามารถจะทําให้ทําความสำเร็ให้เกิดขึ้นได้ให้ตมาคิดว่าคนเราเนี่ยนะไม่ว่าจะจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าคุณไม่มองสิ่งที่ตัวไม่มีไม่จดจอ่อใส่ใจสิ่งที่ตัวไม่มีแต่จดจอ่อจดจ่อใส่ใจว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ใช้สิ่งนั้นให้ให้เกิดประโยชน์นะก็จะมีความสุขได้ อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะว่าที่จะมาพูดว่าในคนเราทุกใจเนะพราะความคิดหรือมุมมองนะถ้ามองไม่เป็นนะได้เท่าไหร่ก็ทุกเขายังคิดว่ายัางได้ไม่พอหรื อ, อยังได้น้อยไปนะหลายคนได้สมมุติได้ได้โบนัส ห้าแสนโอ้โบ น, นัสห้านี่เยอะนะดีใจแต่พอร่วมเพื่อนได้โบนัสเจ็ดแสนทุกเลยใช่ไหม <c oughs> นี่คือ <c oughs> เพราะว่าไปเปรียบเทียบ่ยการเปรียบเทียบเนี่ยก็เป็นเหตุผลนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราพร่องรู้สึกว่าเราขาดรู้สึกว่าเรายังยังมีไม่พอนะถ้าคุณเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอเนี่ยคุณจะรู้สึกอยู่เสมอคุณได้น้อยไปนะคุณยังพร่องคุณยังขาดอยู่ เหมือนกับคนที่ได้สมุดเล่มเล็กนะแล้วก็ไปเห็นเพื่อนได้สมุดเล่มใหญ่ก็สื้อตัวเองพร่องแต่ถ้าคุณลองเทีับคนที่คุณไม่มีที่เขาไม่มีอ่ะคุณก็ซื้อว่าคุณได้เพื่อตมาเนี่ยเป็นเป็นนักเล่นหุ้นนะแต่ตอนนี้เลิกเล่นหุ้นแล้วนะเพราะว่ารวยพอแล้วแกพูดดีบอกว่าถ้าจะเล่นหุ้นนะก็ต้อง ก็จะหวังความสุขนะเล่นหุ้นเนี่ยมันได้แต่เงินแต่ว่าความสุขไม่ได้ตอนนี้เขาก็ได้เงินแล้วแล้วเขาคิดว่าพอแล้วเขาก็เลยเจ้าความสุขแล้วพอเจ้าความสุขก็เลยเลิกเล่นเพราะเป็นเป็นทุกมันทุกได้ง่ายมากเลยนะคุณนนโอ้ยถึงหุ้นขึ้นก็ทุกเช่นสมมุติเนี่ยเราวันนี้วันนี้หุ้นหุ้นที่เรามีเนี่ยใช่ไหมร้อยบาทใช่ไหม เมื่อวานนี้มันเพิ่งห้าสิบเองวันนี้ร้อยเราขายใช่ไหมวันพรุ่งพรุ่งนี้เนี่ยมาร้อยหสิบนี่ยเสียใจมไหมนี่ขึ้นนะนี่ไม่ใช่ขายลงไี่ขึ้นนะแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เพื่อนสมาชิกก็ไปเจอคุณป้าหนึ่งแกก็เล่นหุ้นเหมือนแกเน่ยคุยไปคุณมาคุณป้าบอกว่าเนี่ยเมื่อสองวันก่อนขายพุ้นไปตนได้กำไรสิบล้านบาทสิบล้านบาทนี่รางวัลที่หนึ่งกี่กี่กี่ใบนะ สียห้าใบใช่ไหมร้ยที่นล้านนะอล้านสองล้านสองล้านสอล้านออิบล้านบาทนี่เป็นไงอยู่ได้ทั้งชาติเลยนะไม่ฮะไม่อะค่ะไม่เหรอจะเสียนี่ต้องสักสาสิล้านครับเพื่อแต่มาเพื่อแต่มาก็บอกว่าิบล้านบาทเลยครับขอแสดงความยินดีครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันล่ะ ถ้าฉันขายหุ้นวันนี้จะได้กำไรลล้าน0อคิดล้าน้านะนี่ไม่พอใจคุณป้าแกไม่ได้คิดแกไม่คิดแกได้ส0ล้านแกคิดว่าแกเสีย10ล้านถ้าขายช้าก็ได้ใช่ถ้าอยหน่อยอือคือเนี่ยนี่มุมมองแกไงแกก็เลยเสียใจจิตตกวันรุ่งขึ้นแกก็ไม่มาที่ตลาดหุ้น เ, เพื่อนตามาก็ไปถามว่าคุณป้าหายไปไหน ไปทำมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งบอกว่าคุณป้าไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไปแล้วะเสียสินทัพยเห็นไหมคือถ้าได้ได้โชคได้โชคได้ลามนะคุณก็ทุกนะถ้าคุณมองไม่เป็นใช่ไหมขณะที่คุณถ้าคุณมองเป็นแม้คุณพิการเนี่ยคุณเสียนู่นเสียนี่เนี่ยนะแต่คุณก็มีความสุขเพราะคุณสามารถจะพอจานในสิ่งที่คุณมี ความทุกข์อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนจนนมากคือว่า <c oughs> ใจเนี่ยนะมันไม่ใช่มันชอบนึกห่วงกังวลในสิ่งที่มันไม่ถึง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ห่วงกังวลเรื่องนี่ห่วงกังวลเรื่องลูกนะคุกเราเข้าเรียนบางทีตัวเองเนี่ยไปตรวจสุขภาพมาหมอนัดอีกสามวันมารับตรงไม่ดีแล้ว โอ้ยนะนตาลขึ้นตายแล้วความดันความดันมันไม่ใช่เงี้นะเดมะเร็งมะเร็งโอ้โหสามวันที่รอนี่นะเหมือนตรงนรกเลยพอไปรับผลอะมัไม่เป็นอะไรโอ้ตอนนั้นเนี่ยบางคนที่บอกนะโอ้หเรานี่โง่เนี้ยไอ้สามวันที่ผ่านเนี่ยเราเหมือนตรงนรกเลยเราทำร้ายตัวเองใช่ไกินอะไรก็ไม่อร่อยอยู่กับลูกก็ด่าลูกเพราะตอนนั้น เครียดใช่ไนี่เพราะอะไรเพราะไปห่วงกังวลกับสิ่งที่เอามาไม่ถึงเนี่ยใช่ไหมคนเราทุกเนี่ย<ม>เพราะ <c oughs> ไปนึกถึงสิ่งที่เอามาไม่ถึงหรือไม่ก็เพราะไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว <c oughs> เงินที่หายนรถที่ถูกขโมยหรือว่าสมบัติที่ถูกโกเนี่ยมันที่ผ่านไปเป็นเดือน ผ่านไปหลายเดือนแล้วก็ยังทุกอยู่นะถามว่าทุกไปแล้วมีประโยชน์นะใช่ไหมในเมื่อเสียไปแล้วอะ่ะเอาคืนไม่ได้แล้วเนี่ยคนเราถ้าจะเสียควณจะเสียอย่างเดียว น, นะคือเสียเงินแต่ว่าใจไม่เสียแต่พอไม่ปล่อยวางนะไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วใจก็เสี ย, เ, ยเสียความสุขไนงะ พอใจเสียมากๆเป็นไงกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สบายสุขภาพก็เสียใช่ไหมเพราะบางคนนี่สุดเลยนะเพียงแค่เอมาเรากดหายเนี่ยนะคุณยายคนหนึ่งซุดเลยนะหลานเนึกว่าป่วยหนักรีบรีบออกพรรษามามาดูยายนึกว่าเป็นอะไรเมื่อเป็นโรคหัวใจเป็นหรือเป็นมะเร็ง อ๋อไม่เป็นอะไรแต่ของหายเสียใจแล้วก็เสียสุขภาพใช่ไพอเสียสุขภาพเสร็จหรือว่าเสียใจเนี่ยไม่เป็นการทงานก็เสียงานนะและะ้วพอหงุดหงิดลูกมาพูดไม่ถูกไม่ถูกหูก่าว่าลูกแฟนมาพูดนะพูดมากเกินไปก็ว่าแฟนใช่ไก็เสียเพื่อนหรือว่าเสียความสัมพันธ์ในถ้าเราถ้าเรา คนส่วนให ญ, ญ่เนี่ยทุกข์เพราะสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือไม่ก็ทุกข์เพราะสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะครูเจ้าจึงบอกนะว่าบุคคลไม่ควรตามพิถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พงึงไม่พึงพ่วงถึงสิ่งที่มาไม่ถึง <c oughs> ให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันนะพูดอย่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่ไม่ควรวางแผนก็วางแผนได้แต่เวลาเราวางแผนใจก็เลยมีสติในการวางแผนให้คิดมองอนาคต ด, ด้วยปัญญาอย่าไป อย่าไปอย่าไปนึกถึงอนาคตด้วยความหลงใช่ไหถ้าเราจะมองย้อนกับอดีตเพื่อที่จะพิจารณาว่ามีอะไรที่ควรปรับปรุงก็ทำได้แต่ว่าถ้าเรานึกไปถึงมันด้วยความหลงเราก็ทุกข์คนเราเนี่ยามาประเมินนะความทุกข์ใจเนี่ยประมาณเก้าสบเปอร์เซ็นตเนี่ยของคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เนี่ย คู่เพราะสาเหตุสองประการนี้คิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือว่าไปจดจ่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทุกครั้งที่เราเสียใจทุกครั้งที่เราโกรธ น, นะส่วนใหญ่เป็นเพราะเรานึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วทุกครั้งที่เรากังวลวิตกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะเราเปนึกถึงสิ่งที่ ม, มาไม่ถึงถ้าอยากกังวลมากๆเนี่ยก็ให้นึกถึงอนาคตที่เยอะสิ่งที่มาไม่ถึงใช่ไหม ถ้าอยากจะโมโหบ่อยๆก็นึกถึงคําต่อ ว, ว่าด่าทอของคนนั้นคนนี้ที่กรอกใส่หุ่เราแต่ถ้าอยากให้ใจเป็นปกตินะให้มีนไปอยู่กับปัจจุบันเลือกได้นะเราจะเลือกกังวลเราจะเลือกเสียใจรู้สึกผิดหรือว่าเราจะเลือกให้ใจเราเป็นปกตินะใจ ใ, ใจปกติเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้ากว่าโยมเนี่ยนะใจเนี่ยมาอยู่กับ อยู่ที่ห้องนี้นะอยู่กับการบรรยายการฟังคอร์สมานะก็ไม่น่าจะทุกข์อะไรนะนอกจากเมื่อ น, นิดหน่อยนะที่ต้องนั่งฟังนะ <c oughs> แต่พอเปนที่ถึงลูกนะทีถ่ถึงแฟนนะนะทถึงพ่อแม่นะโอ้โหทุกเลยกังวลเลยเรื่องที่ถึงนี่นะจะต้องจ่ายหรือที่ถงเศรษฐกิจกนะ <c oughs> เศรษฐกิจกเนี่ยตอนนี้กรีซพังไปแล้วใช่ไหม <c oughs> อ่ากรีซมันเกิดใกล้จะพังแล้วนะต่อไปอาจจะพังเป็นแบบแทมมาถึงสวิตเซน์เนี่ยโอ้โหเครียดเลย ยังยังมาไม่ถึงเลยนะยังไม่เกิดเลยนะเครียดสุดแล้วฐานเศรษฐกิจถึงแล้วค่ะฮะฐานเศรษฐกิจจริงๆเราถึงมาแล้วเออแต่มันยังไม่ปรากฏใช่ไหมเออากใช่ไหมคคราวนี้เราระวางแผนได้เออเรามองว่าเออเศรษฐกิจมันจะแย่นะเราก็เริ่มวางแผนเช่นอ่าเราเริ่มลดรายจ่ายเราเริ่มมองหาลูทางที่จะเพิ่มรายได้อันนี้วางแผนได้เราตื่นึัวหนักเพื่อวางแผนแต่ไม่ใช่นึกไปรัศมีความกังวลซึ่งไม่ช่วยอะไร นะนี่สินก็เหมือนกันนะโอ้ยจ่ายนี่ยังไงติดนี่ติดนี่ธนาคารผ่อนบ้านผ่อนรถนี่เป็นล้านนะมีคนถามหลวงหลวงพระพยอมอาจารย์พยอมว่านะวัดสวนแก้วเนี่ยกู้เงินมาหลายสิบล้านเนี่ย <c oughs> นะเพื่อพัฒนาวัดเพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนนะที่มาพึ่งวัดนะนะ หลวงพ่อเนี่ยนะเครียดบ้างไหมทุกบ้างไหมเนี่ยที่ที่เป็นหนี้หลายสิบล้านท่านพูดดีท่านบอกว่าจะเครียดทําไมนะไอคนที่น่าจะเครียดมากกว่าคือเจ้าของเงินว่าว่าเราจะมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมเขาคนจะเครียดไม่ใช่เราเครียดใช่ไหมเขาเป็นเจ้าฝังเงินใช่ไหมพูดงี้ไม่ได้ว่าไม่ได้แปลว่าท่านจะเดียวนะพูดงี้ไม่ได้บอกเขาว่าท่านจะไม่รับผิดชอบนะท่านก็ท่านก็หาเงินนะ หมายถึงว่าท่านก็พยายามหาลู่ทางในการที่จะเอาเงินมาจ่ายแต่ถ้าไม่ทุกเงี้คือมีหนี้แต่ไม่แบกหนี้ไงใช่ไหม <laughs> มีหนี้กับแบกหนี้มันต่างกันนะ <c oughs> ใช่ไหมมีหนี้แต่ว่าก็ไม่เอาไม่เอามาแบกไว้ในใจนะ <c oughs> ถึงเวลานอนก็นอนนะถึงเวลาคุยก็คุยถึงเวลาทำ ง, งานก็ทํา ง, งานแต่ไม่แบกใช่ไหมท่านก็พยายามหาเงินนะได้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะก็มีแค่เนี้ยได้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นแต่ไม่แบกไง พวเราทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นแต่ว่าอย่าแบกมันใช่ไหมเพอถ้าแบ่แล้วเนี่ยเครียดพราะพอเครียดแล้วเนี่ยก็สติปัญญาก็ไม่ปลอดโปร่งที่จะที่จะหารูปทางแก้ปัญหาใช่ไหมถ้าเราจะแก้ปัญหาต้องแก้มหาด้วยใจที่ปลอดโปรง่งโล่งสบายมันจะเห็นทางออกใช่ไหมงั้นต้องต้องต้องเอ่อต้องแยกให้ดีๆนะระหว่าง มีปัญหากับแบกปัญหานะปัญหาทุกคนมีทั้งนั้นนะอาตมาก็มีใช่ไหมแต่ว่าก็สามารถจะอยู่ได้มีความสุขเพราะไม่แบกมันมีนายตำรวจท่านหนึ่งนะมาไปหาหลว ง, งพ่อชาทักสี่สิปีมาแล้วหลวงพ่อชาตอนนี้มีชีวิตอยู่เอาปัญหาไประบายให้ท่านฟัง คือแกเป็นคนที่ซื่อสัตย์แต่ว่าเจ้านายเนี่ยนะไม่ชอบกั่นแก้งนะเพื่อโรงงานนะก็ขัดขวางเลื่อยขาเก้าอี้นะเพราะว่าแกไม่กินตามน้ำเนี่ยใช่ไหมยพยายามทำด้วยความซื่อสัตย์นะแต่ว่าไม่เลื่อนไม่รับการเลื่อนตำแหน่งแป๊กนะก็เครียดนะ มันระบายหลวงปู่หลวงพ่อชาฟังสมวงพ่าท่านก็ฟังอย่างเดียวเลยนะท่านไม่ท่านไม่ว่าอะไรระบายเป็นชั่วเป็นครึ่งชั่วโมงได้เนี่ยระบายเสร็จหลวงพ่อชาท่านก็ชี้ไปที่ก้อนหินที่อยู่หน้ากุฏิเห็นหินก้อนนั้นไหมเห็นครับหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมแบกไม่ไหวครับเออไม่ไหวจะไปแบกมัน mm hmm. ใช่ไหมหินเนี่ยใหญ่แค่ไหนเนี่ยทุกข์ไหม เราทุกข์ไหมหินที่หินไม่ันใหญ่แค่ไหนเนี่ยเราทุกข์หรือเปล่าทุกข์ไม่ทุกข์มันทุกข์ก็ต่อเมื่อเราไปแบกคือหรือว่าเช้าพูดเท่านี้นะในตัวคนั้นแกปิงเลยนะโอ้แกรู้ว่าที่แท้ที่แกที่แรกแกรู้ว่าแกทุกข์เพราะไปพราะมีปัญหาเยอะนะทุกข์เพราะมีก้อนหินเยอะแต่ที่จริงแล้วก้อนหินเดียวก็ไม่ทําให้ทุกข์แต่ทุกข์เพราะไปแบกก้อนหินตั้งหาก ก็เลยรู้ว่าโอ้โหเราทุกข์เพราะใจของเราใจเราไปแบกมันเอาไว้เนั้นปล่อยวางมันก็หายทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าไม่แก่นะปัญหามีก็ต้องแก้เคยได้ยินคพูดไหมปัญหามีไว้แก้ไม่ได้ไม่มีไว้กลุ้มอะเอยยินหมมีไว้แก้มีไว้ให้แบกอะไม่ไมีให้กลุ้มนะโลกมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบกอะนั่นแหละงั้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปโทษโลกอย่าไปโทษปัญหา ก็ไปโทษว่าแล้วเราไปแบกมันทําไมนะเพราะนี่แหละท่านธรรมะถ้าท่าโยมเนี่ยเข้าใจตรงนี้นะปัญหาหรือว่ามีอะไรมากระทบเนี่ยนะมันให้เราให้เรารู้ว่ามันไม่ทําให้เราทุกข์หรอกถ้าใจเราไม่ไปเออออหอหมกหรือไปร่วมมือด้วยเช่เนไปแบกมันเอาไว้นะใครเขาะจะโกงเราแค่ไหนต่าบใดที่มันเป็นอดีตไปแล้วนะมันก็ ไม่มีเรื่องทุกข์ใจมีแต่ว่าเออต้องระวังว่าจะไม่ทําผิดซ้ำสองหรือว่าจะไม่หลงเชื่อใครง่ายๆเราสรุปบทเรียนเนสรุปบทเรียนนะจากอดีตอันนี้ดีแต่ถ้าไปเสียใจกับมันโกรธเพราะมันเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลาเวลาโยมมีความทุกข์ใจนะเดี๋ยวเพิ่งไปโทษใครนะต้องกลับมาดูใจ เมื่อไม่กี่วันก่อนมีคนมาปรึกษาแกโกรธแม่ว่าแม่ว่าแม่ว่าขาดสติใช่อันตมาก็เลยบอกว่าเนี่ยที่คุณพูด่งนี้เพราะคุณขาดสติใช่ไหมไปว่าแม่ว่าขาดสติแต่ลืมดูใจว่า เ, าเราขาดสติใช่ไหมเพราะถ้าไม่ขาดสติเนะี่เราไม่ว่าแม่อย่างนี้หรอกใช่ไหมสังเกตมากเวลาเราว่าใคร ว่าใครขาดสติไม่มีสติเนี่ยตัวเราเองก็ไม่มีสตินี่เป็นพ่ออะไรเป็นพ่อไม่ดูใจตัวเองนะเป็นพ่อไม่ดูใจตัวเองไงใช่้หมันงทีไปว่ารู้ว่าลูกไม่มีสตินะแต่ว่าตัวเราไม่มีสติก่อนเขาเนี่ยอย่าไปก่อนที่ไปก่อนที่จะไปว่าใครก่อนที่จะไปโทษใครเนี่ยให้กลับมาดูใจเรานะแล้วถ้าเรากลับมาดูใจเรานี่นะไอ้ความโกรธเนี่ยความหงุดหงิดเนี่ยมันจะคล่องกับใจเราเราไม่ได้เพา สติเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นยามรักษาใจนะเป็นเป็นนายเป็นเป็นยามที่รักษาประตูเมืองถ้าเรามีสติเนี่ย น, นะเราจะไม่ทุกข์ง่ายๆถึงแม้มีอะไรมากระทบกระทบทางตากระทบทางหูนะเราจะไม่ทุกข์ง่ายๆเพราะพอเราพอเรามีสติเราก็จะรู้ทันใจที่หมุนหงิดใจที่กระเพื่อมแล้วพอเรารู้แล้วเนี่ยเรา เราจะวางมันได้ถ้าเราไม่มีสตินะประการที่หนึ่งเราไปแบกมันนะแต่ถ้าเราแบกมันไปแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ทันออเราก็วางมันลงนะแต่คนจำนวนมากเนี่ยไปแบกก็เพราะไม่มีสติแล้วก็ยังไม่ยอมวางไม่ยอมทิ้งนั่นก็เพราะไม่มีสติไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่ากำลังกลัวไม่รู้ตัวว่ากำลังทุกข์ไม่รู้ตัววําลังเครียด อาพชาญเนี่ยให้เราเนี่ยกลับมากลับมาดูใจของเรารอยู่เสมอตรงนี้แหละคือภาวนาตรงนี้คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยทําได้หลายอย่างอย่างแรกเนี่ยเราทําด้วยการให้ทานนะอย่างที่โยมที่โยมมาถวายอาหารในกฐามานี่นี่เป็นการปฏิบัติธรรมกันนะเป็นการสละของสละอาหาร สละทิพสิ่งที่มีค่าให้กับพระให้กับผู้ที่ต้องการนะนี่เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยสิ่งของปฏิบัติธรรมต่อมาปฏิบัติธรรมด้วยการและวาจาก็คือสี่นั่นเองนะโยมมีศีลห้านะก็ถือว่าปฏิบัติธรรมแล้วนะเราพูดพูดด้วยคำที่ไพเราะนะไม่โกหกไม่นินทาวาายไขนะ่อันนี้ก็เรียกปฏิบัติธรรมทความดี เมื่อทําความดีด้วยทรัพย์เมื่อทําความดีด้วยกาวาจาแล้วเนี่ยต่อไปก็ทําความดีที่ใจหรือทําความดีด้วยการรักษาใจนะอันนี้เรียกว่าภาวนานะส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราทํากันดีมากนะสองข้อแรกนะส่วนข้อที่สามเนี่ยอาจจะละเลยหรือไม่รู้วิธี พะฉันถึงแม้ให้ศีลถึงแม้เออถึงแม้จะให้ทานถึงแม้จะรักษาศีลแต่ก็ยังมีความทุกข์นะเพราะว่าไม่ได้ดูใจของตัวไม่ได้ฝึกใจของตัวฝึกใจทำหอะไรอย่างฝึกใจมีสติรู้ทันนะเวลาใจกระเพื่อนเวลาใจโกรธนะก่อนที่จะว่าใครก่อนที่จะพูดอะไรไปอ่ะรู้ทันดูแลเนี่ยเพียงแค่รู้ทันมันก็วางนะ ไม่ต้องกดข่มมันก็ได้ความโกรธแค่รู้ทันมันนะรู้ทันจริงๆนะมันหลุดเมื่อคนที่รู้ว่ากรรมฐานก็แดงๆพอรู้ว่ากรรมฐานก็แดงๆเนี่ยปล่อยเลยไอตอนที่หลับตอนที่ละเมอเนี่ยไปจับอะไรไว้ก็ไม่รู้ใช่ไหมบางคนคนละเมอนี่แบกบแบกบโต๊ะแบกเก้าอี้เนี่ยเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมละเมอเนี่ยนะแบกมันหรือคนที่หนีไฟแล้วก็ ย, ย, ยกตู้เย็นนะยกโองนีนะใชแทนที่จะเอาสร้อยเอาเส้นอะไรไปฉนองเฉนิมใช่ไหมยกตู้เย็นยกโอ่งไป อ, อ่าตัวท่านอย่างดีนะมันมันเบากว่าตู้เย็นนะตอนนั้นเหนื่อยก็เหนื่อยนะแต่ว่าความกลัวมันทําให้ลืมตัวแต่พอปลอดภัยแล้วโอ้ถึงพ่อไม่รู้ว่าเราแบบตู้เย็นเฮ้ยแบบทําไมแบบโองแบกทําไมนียเราก็วางพอล้วดพอล้ว่าแบบตู้เย็นพอู้วดแบก มันวางเลยความกรนะัก็เหมือนกันนะความทุกข์ก็เหมือนกันนะพอเรารู้เราแบนนะมันวางทันทีเขาเรียกรู้ตัวนะอันนี้นอกจากความรู้ตัวการจรุดสติแล้วเนี่ยบางทีเราฝึกจิตให้สงบโดยการทําสมาธิโดยการทําให้จิตเราแน่นิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนะึ่งนะแช่นลมหายใจนะโยมลองฝึก ให้จิตเนี่ยมันอยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าเรื่อยๆหายใจย า, ยาวๆหรือพอเวลาหงุดหงิดเวลาโกรธใครเนี่ยนะเวลารอเพื่อนม่มาเวลารถติดเกิดไปเกิดกลับไปเมืองไทยนะเราอยู่ที่นี่เนี่ยสบายทุกอย่างนะโอเคพอเปเมืงไทยโอ้หทุกอย่างมันขลุกขลับไปหมดเลยนะรถก็ติดนะไม่คุ้นหนงุดหงิดอ่ะกลับมาตามลมหายใจหายใจเข้าเรื่อยๆหายใจย า, ยาวๆรับ ห้าครั้งสิบครั้งสิบครั้งสิบครั้งน่าจะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีระหว่างที่นับเนี่ยหายใจออกก็นับหนึ่งหายใจออกก็นับสองหายใจออกนั บ, นบสามทำอย่างนี้เราจะได้ของดีของวิเศษติดตัวเรานั่นคือลมวิเศษลมวิเศษนี่นะมันจะสามารถจะดับความรุ่งร้อนในใจเร า, เราได้สามารถจะปัดเอาก้อนหินที่มันสร้างความหนักอกหนักใจออกไปได้ สามารถทำให้จิตใจสุขโปร่งรล่งไม่รู้สึกถูกบีดคั้นลองทำแบบนี้ดูนะทำเล่นๆก็ได้นะเพื่อว่าเวลาหุดหิดเนี่ยมันจะได้กลับมาที่ลมหายใจได้ทันแล้วก็เนลมิตลมวิเศษนะมันทำได้ไม่ยากก็ฝากเอาไว้นะให้โยมเนี่ยไหนๆมาอย่างที่ธรรมบอกนะ มาอยู่สถานที่แบบนี้ประเทศแบบนี้เนี่ยนะมีทั้งความสะดสบายกายนะความปลอดภัยก็มีพอสมควรก็ต้องเรียกว่ามากกว่าเมืองไทยนะความสงบสงัดนะทัศนเยียภา พ, พงดงามก็มีเยอะอย่าเสียของนะอย่าไม่เสียของนะนะเราต้องเมื่อเราอยู่ในสายที่แบบนี้เราต้องมีความสุขมากกว่าอยู่ที่เมืองไทยไม่ใช่ว่าอยู่ที่นี่ดีแล้วอย่างดีหมดแต่ทุกกว่าเมืองไทยนะโอ้นี่เ่าเสียของมากเลยหรือว่าเสียโอกาสนะ ต้องทําให้ได้นะและถึงตรงนี้แหละที่เราจะช่วยช่วยคนรักของเราที่เมืองไทยได้ใช่ไหมช่วยทําให้เขามีสติช่วยทําให้เขามีความสุขนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คิดแต่จะรอรองเงินจากเราใช่ไหมอยากให้เราส่งเงินไปให้เพราะเขาคิดว่าถ้าเขามีเงินเขาจะมีความสุขอันนั้นก็จริงส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดแต่บางคนก็เราก็รู้ใช่ไหมว่าแหมได้เงินมาเยอะแต่ว่าก็ไม่มีความสุขเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย สุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่อยู่ที่ได้อะไรมาเท่ากับว่าเราวางใจอย่างไรนะเอลาละธรรมะก็คิดว่าพอสมควรกับเวลานะก็ขอบคุณญาติโยมทุกท่านนะแล้วก็อ่ก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยนะอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันนะัสุขะพละขอให้อยู่เย็ยนเป็นสุขปลอดภัยกายทุกนะเข้าถึง ทอาถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเถิด